ไม่มีกฎหมายใดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นของประเทศใดก็ตามที่จะมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเที่ยงธรรมเท่ากับกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่เป็นกฎของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับจิตใจไม่ได้เกี่ยวกับร่างกาย กฎแห่งกรรมนี้ไม่จาเป็นจะต้องมีตารวจไม่ต้องมีอายการไม่ต้องมีหลักฐานไม่ต้องมีสารไม่ต้องมีคุกมีตารางกฎแห่งกรรมนี้สามารถที่จะให้ผู้กระทารับโทษหรือรับขุนอย่างเที่ยงธรรมอย่างไม่มี าการลำเอียงไม่เหมือนกับกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นของประเทศใดก็ตามเป็นกฎหมายที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เที่ยงธรรมผู้กระทาผิดอาจจะไม่ถูกจับไปลงโทษก็ได้การที่เราจะเข้าใจถึงเรื่องกฎแห่งกรรม เราต้องดูที่ใจเป็นหลักกฎแห่งกรรมนี้เกี่ยวข้องกับจิตใจส่วนร่างกายนี้อาจจะเกี่ยวในกรณีถูกพาดพิงแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่รับโทษโดยตรงของกฎแห่งกรรมผู้ที่รับโทษรับคุณ ของกฎแห่งกรรมคือใจใจนี้คือผู้รู้ผู้คิดผู้มาครอบครองร่างกายผู้คอยสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆผู้นี้แหละคือผู้กระทาที่แท้จริงโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าเปรียบเทียบถ้าร่างกายไป ทำผิดกฎหมายเช่นขับรถชนคนตายผู้ที่จะถูกจับลงโทษไม่ใช่รถยนต์เพราะรถยนต์เป็นเพียงเครื่องมือของผู้ขับรถยนต์ผู้ที่จะจับถูกลงโทษก็คือผู้ขับขี่รถยนต์เช่นเวลาขับแล้วเกิดอุบัติเหตุเขาจะจับคนขับไปตรวจ ดูสารแอลกอฮอล์ดูว่ามีสารเกินขนาดที่อนุญาตไว้ให้หรือไม่ถ้าเกินก็ถือว่าผิดกฎหมายผู้ที่จะถูกจับลงโทษไม่ใช่รถยนต์รถยนต์เป็นเพียงเครื่องมือผู้ที่ทำผิดคือคนขับรถ ใจกับร่างกายก็เป็นในลักษณะเดียวกันใจเป็นคนขับร่างกายเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆการกระทของใจก็มีอยู่สามแนวทางด้วยกันคือทำดีทำไม่ดีและทำแบบกลางๆไม่ดีไม่ชั่ว ผลที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นที่ใจทันทีทำดีเกิดความสุขใจขึ้นมาทำไม่ดีทำชั่วเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าทำแบบกลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็จะไม่มีความรู้สึกทุกข์ใจหรือสุขใจนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำ ของใจเกิดขึ้นทันทีแต่มีอายุยาวนานกว่าปัจจุบันคือเกิดขึ้นแล้วมันยังสะสมอยู่ในใจต่อไปและจะมีผลต่อไปหลังจากที่เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วการทำดีทำไม่ดีจะสะสมเหมือนกับทรัพย์ หรือหนี้สินทำดีก็เหมือนกับสะสมทรัพย์แช่นเอาเงินฝากธนาคารทำบาปก็เหมือนกับการไปสร้างหนี้สินไบกู้หนี้ยืมสินจากธนาคารที่จะต้องมีการชดใช้ต่อไปใจจะไปชดใช้หรือไปรับผลของ ของบุญหรือบาปก็ตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วพนะ อ, อร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็จะรับผลขั้นที่สองขั้นแรกก็คือขณะที่มีชีวิตอยู่นะขณะที่มีมีชีวิตอยู่ถ้าทำบุญมากกว่าบาปใจจะมีความสุขมากกว่าความทุกขนะ์ ถ้าทำบาปมากกว่าบุญใจจะมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขเวลานอนหลับเราก็จะเห็นผลเราจะรู้ได้ผ่านทางตอนที่เรานอนหลับว่าใจของเรานี่ยทำบุญหรือทำบาปมากกว่ากันเวลานอนหลับถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปเราจะฝันดีมากกว่าฝันร้าย ถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันร้ายมากกว่าฝันดีนี่คือผลของการกระทำของใจในขณะที่มีชีวิตอยู่เราต้องวัดกันที่ความรู้สึกอย่าไปวัดผลที่ร่างกายได้รับเช่นได้ถ้าทำดีอาจจะได้รับรางวัล ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอันนี้เป็นผลที่เขาให้กับเครื่องมือคือร่างกายแต่เขาไม่ได้เขาไม่สามารถให้ผลแก่ใจผู้เป็นผู้กระทำได้ดนันถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่เคว้งคว้างไม่สับสน เรื่องของกฎแห่งกรรมนี้ต้องมองไปที่ใจเป็นหลักใจเป็นผู้กระทำและใจเป็นผู้รับผลของการกระทานั้นส่วนร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเป็นสมุนอาจจะได้รับรางวัลหรืออาจจะได้รับโทษก็ได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายประการด้วยกันที่ทาให บางทีคนทำดีแล้วไม่ได้ดีคนทำชั่วได้ดีถมไปถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายมันก็เป็นผลที่ไม่แน่นอนไม่เป็นตัวที่วัดผลของกรรมไม่เป็นตัวที่วัดกฎแห่งกรรมตัวที่วัดผลของกฎแห่งกรรมก็คือ ใจคือความรู้สึกของใจในขณะทุกขณะจะว่าได้ตั้งแต่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปและหลังจากตายไปก็กลับมาอีกเนี่ยผลแห่งกรรมจะติดตามไปกับใจทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่ทั้งขณะที่ตายไปทั้งขณะที่กลับมาเกิดใหม่ นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เป็นกฎตายตัวไม่จำเป็นจะต้องมีสารมาพิภาคษาไม่จำเป็นจะต้องมีตำรวจไปจับผู้กระทําผิดไม่จำเป็นจะต้องมีทนายไปค้นห า, หาหลักฐานต่างๆอัยการหาหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะมาลงโทษผู้กระทําผิด กฎแห่งกรรมนี้เป็นกดอัตโนมัติเป็นเหมือนกับน้ำน้าเย็นให้ความเย็นน้ำร้อนให้คําความร้อนไฟให้ความร้อนน้ำแข็งให้ความเย็นมันเป็นของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นทําบาปแล้วใจจะร้อนใจจะทุกข์ ทำบุญแล้วใจจะเย็นใจจะมีความสุขทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ทั้งในหลังจากที่ตายไปแล้วและหลังจากที่กลับมาเกิดใหม่ต่อไปในชาติหน้าส่วนเหตุการณ์ที่เกิดกับทางร่างกายนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้ ยังไม่ควรไปวัดผลของการกระทาของใจที่ร่างกายร่างกายเป็นเหมือนกับ เ, เครื่องมือหรือสมุนผู้ไม่ได้เป็นผู้กระทาโดยตรงเป็นผู้ที่ถูกสั่งให้ทา บางอย่างเขาก็ไม่เอาโทษรถยนต์นี้เขาไม่จับรถยนต์ไปติดคุกติดตารางถ้าใช้ปืนใช้อาวุธไปยิงคนตายเขาก็ไม่เอาจับอาวุธปืนไปขังไว้ในคุกในตารางไม่ไปประหารชีวิตปืนแต่จะจับคนที่ใช้ปืนนี่ไปลงโทษไปขังคุกหรือไป ปาอาหารชีวิตถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่สับสนไม่สงสัยในเรื่องของกฎแห่งกรรมลองดูที่ใจของเราเวลาเราทําความดีนี่เราจะมีความสุขใจเวลาเราทําบาปนี่เราจะมีความทุกข์ใจ เวลาที่เราทำแบบไม่บุญไม่บาปเราจะรู้สึกเฉยเฉยใจของเรานี่มีการกระทำอยู่ทั้งสามลักษณะนี้แทบทุกวันเลยส่วนใหญ่จะทำแบบกลางกลางกันคือไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปคือการกระทำที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูร่างกาย พอเราเตื่นขึ้นมาเราก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบถาล้างหน้าแปงรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารนี่คือการกระทาที่เราเรียกว่าไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปการกระทการกระทาที่เป็นบุญหรือเป็นบาปนี้ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเช่นถ้าเราทำให้บุคคลอื่นเขามีความสุข เช่นให้การช่วยเหลือต่างๆนานาเช่นตอนเช้าใส่บาตรเนี่ยใส่บาตรให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าหรือให้เงินขอทานอันนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญเพราะทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการกระทาของเราในทางตรงกันข้ามการทาบาปก็คือการกระทา ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายได้ความทุกข์ยากลำบากจากเราเช่นเราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปทำร้ายร่างกายของผู้อื่นไปทำอะไรที่ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนทุกข์ยากลำบากอันนี้เราเรียกว่าบาป ถึงจะเกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจส่วนการการะทำที่เราทำเกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวกับร่างกายของเราอันนี้จะไม่ได้ส่งผลให้เราเกิดความสุขใจหรือเกิดความทุกข์ใจเราทำไปเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไปทำงานทำการทำอะไรต่างๆ นี่คือกรรมที่เราทำกันส่วนใหญ่จะเป็นเป็นกรรมแบบกลางๆไม่บุญไม่บาปบุญนี้จะเกิดขึ้นก็จะทำก็ต่อเมื่อหนึ่งมีเหตุการณ์ที่อาจจะดึงดูดให้เราไปทำถ้าเราเป็นเด็กเราอยู่ในบ้านที่พ่อแม่ทำบุญเป็นปกติ เช่นทำบุญใส่บาตรทุกวันพ่อแม่ก็อาจจะให้เรามาช่วยใส่บาตรอันนี้เราก็เป็นการหัดทำบุญไปก่อนเพราะว่ายังไม่ได้เป็นการทำบุญของเราเองเป็นการทำบุญของพ่อแม่เพราะการทำบุญนี้เราต้องเสียสละของของเราเราถึงจะได้บุญถ้าเป็นการเสียสละของของผู้อื่น เรายังไม่ได้บุญเช่นเราใส่บาตรแทนพ่อแม่แต่ของที่ใส่บาตรนี้เป็นของพ่อแม่จัดซื้อมาเราเป็นเด็กเรายังไม่มีเงินทองเรายังไม่มีอะไรที่จะทาบุญทำทานได้ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนอบรมนิสัยใ ห, ให้ชอบทำบุญ ได้รู้จากการทำบุญถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นของของเราเราก็จะได้รับความสุขในแต่ไม่ไม่ได้แบบของของการเสียเป็นเสียของของเราเองแต่ได้รับในการที่เราได้รับใช้พ่อแม่ทาหน้าที่แทนพ่อแม่พ่อแม่ไม่ว่างต้องทำภารกิจอย่างอื่นเราก็ช่วยเหลือพ่อแม่ เราก็จะได้บุญแบบนี้บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นไปก่อนแต่พอเราทำอย่างนี้ไปแล้วต่อไปเวลาเราโตขึ้นเรามีเงินทองของเราเองเราก็อยากจะทำบุญเพราะเรารู้สึกความรู้สึกว่าเวลาได้ทำบุญแล้วจะมีความสุขใจยิ่งทำด้วยเงินของเราเองด้วยยิ่งจะรู้สึกมีความสุขใจมากขึ้น พอได้สองกับทองด้วยกันทำได้ด้วยการเสียสละเงินทองของเราแล้วก็ต้องทำเองได้สองถ้าทำเสียสละเงินทองแต่ไม่ได้ทำเองก็ได้ส่วนหนึ่งได้ทานแต่ไม่ได้การกระทาถ้าเราให้คนอื่นทาแทนเราคนอื่นเขาก็จะได้บุญส่วนนั้นไปนี่ก็ การทำบุญนี้มักจะต้องมีเหตุการณ์มีโอกาสมีอะไรถ้าไปสมมุติไปอยู่บ้านที่เขาไม่ทำบุญเขาไม่มีนิสัยไม่มีกิ จ, จวัตรเกี่ยวกับการทำบุญก็จะไม่มีการทำบุญกันตื่นเช้าก็รีบแต่งเนื้อแต่งตัวไปโรงเรียนไปทำงานกันไม่อะไรกันถ้าจะทำนี่ก็อาจจะนานๆสักครั้งหนึ่ง เช่นวันเกิดวันสำคัญต่างๆวันปีใหม่วันอะไรเท่านั้นแต่ที่จะทำแบบต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอนมี่ต้องไปเกิดในครอบครัวของชาวพุทธพุทธ่พุทธแท้ไม่ใช่พุทธเบียนพุทธแท้พุทธ่ปฏิบัติตามคำสอนทำทานรักษาศีลภาวนา ถ้าได้เกิดในครอบครัวเหล่านั้นก็จะมีผู้ที่จะชวนผู้ที่จะสอนให้รู้จาักการทำบุญนี่คือเรื่องของการทำบุญจึงไม่ใช่เป็นของที่ง่ายดายบางคนนี่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวที่ทำบุญก็ไม่เคยทำบุญทำบุญไม่เป็นทำก็ทำพอหอมปากหอมคอ ทำเพื่อไม่เสียมารยาทแค่ถ้าไปงานบุญก็ร่วมบอยจากเงินบ้างเล็กๆ็กน้อยๆอยอะไรทำนองนั้นแต่ไม่ได้ทำเป็นกิจจลักษณะเพราะไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่เกิดจากการทำบุญถ้าได้ทำอย่างสม่ำเสมอนี่มันจะสัมผัสมันจะรับรู้ได้มากกว่า ส่วนการทำบาปนี้มักจะง่ายกว่าเพราะการทำบาปนี้มันมีตัวคอยกระตุ้นอยู่เรื่อยๆ อ, อะไรที่มาคอยกระตุ้นให้เราทำบาปกันอยู่เรื่อยๆก็คือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนี่กิเลสตัณหาที่เป็นตัวชุดลากให้เรามาเกิดกันนี่เองการที่เรามาเกิดในโลกนี้นั้นไม่ได้เกิดจากใครที่ไหน เกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากที่มีอยู่ในใจของเราทุกคนใจของพวกเราทุกคนนี้มีความอยากอยู่สามกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเรียกว่าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผพทพะเรียกว่ากามตัณหาความอยากในกามขุนหา้าอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิน่นอยากสัมผัสสิ่งต่างๆด้วยร่างกาย พอเวลาได้สัมผัสแล้วเกิดความสุขขึ้นมามจึงชอบเสพสัมผัสกรมคุณห้ากันการจะเสพสัมผัสกรมคุณห้าก็ต้องมีร่างกายพอร่างกายอันเก่าตายไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นเหมือนคนขับรถพอรถเก่าพังไป ใจก็ไปหาซื้อรถใหม่คนขับรถก็ไปหาซื้อรถใหม่ใจก็แบบเดียวกันพอร่างกายที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะมีอันเป็นไปใจก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาเกิดใหม่แล้วมาเสบรูปเสียงกลิ่นรสใหม่นคนทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้มีกามะตัาหา แม้แต่ทารกที่พึ่งคลอดออกมาจากท้องแม่เวลามันเริ่มร้องนี่แสดงว่ามันเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาแล้วต้องอยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งะไม่อยากได้รถก็อยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รถได้ผลทพะเพราะร่างกายพอออกมามันก็จะหิวน้ําหิวอะไระ อันนั้นเป็นการเสพผธพระที่ไม่น่าปารถนาที่น่ากำจัดก็เลยต้องหิวอยากได้น้ำอยากได้นมถ้าอากาศร้อนก็ก็ร้องว่ามันร้อนเกินไปถ้าอากาศหนาวก็ร้องอันนี้ต้องมีการคอยคอยรับใช้ความอยากของใจตั้งแต่เกิดมาเลย ตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ไปทำบาปกันเพราะเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากไม่ได้โดยวิธีที่ถูกกฎหมายถูกศีลธรรมก็จะต้องไปเอาด้วยวิธีที่ทำบาปไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงหรือถ้าหนักกว่านั้นก็ไปฆ่าอันนี้ การทำบาปของพวกเราทุกคนมันง่ายกว่าการทำบุญการทำบาปนี้มันมีตัวคอยผลักดันให้ทำอยู่ตลอดเวลาจึงต้องคอยห้ามกันอยู่เรื่อยๆครอบครัวทุกครอบครัวเวลาลูกโตกออกมานี้ต้องคอยพยายามสอนอย่าทำบาปอย่าโกหกนะลูกอย่าลักขโมยของนะขอความอยากมันทำให้โกหกความอยากทำให้ขโมย อยากได้อะไรขอไม่ได้หรือไม่มีเวลาจะขอก็เอาไปก่อนหยิบไปก่อนพอมาถูกถามก็โกหกเพราะต้องไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าตอนเองได้ทำผิดนี่เป็นธรรมชาติของใจที่มาเกิดในโลกนี้จะทำบาปง่ายจะทำบุญยากเพราะตัวที่จะ่อยกระตุ้นให้ทำบุญนี้ไม่มี มีแต่ตัวที่จะคอยกระตุ้นให้ทําบาป ก, กันยกเว้นคนที่เคยมีนิสัยในการทําบุญมาในอดีตชาติการกระทําต่างๆของเราเนี่ถ้าเราทําบ่อยๆทําซ้ําๆมันจะกลายเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วถ้าทํามากๆมันก็จะกลายเป็นสันดานขึ้นมาอสันดานนี้จะฝังเลยกว่านิสัย นิสัยนี้เปลี่ยนง่ายกว่าสันดานทั้งทางที่ดีและทางที่ไม่ดีนิสัยนี้ไม่ได้หมายคำนิสัยสันดานนี้ไม่ได้หมายคำว่าจะเป็นความหมายของความไม่ดีเป็นนิสัยที่ดีก็ได้สันดานที่ดีก็ได้เป็นนิสัยสันดานที่ไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราปลูกฝังอย่างไรไว้ ถ้าเราทำแต่บาปไปเรื่อยๆมันก็จะปลูกฝังนิสัยทำบาปถ้าทำลึกๆมากๆบ่อยๆมันแค่กลายเป็นสันดานขึ้นมาถ้าทำแบบทำบ้างไม่ทำบ้างก็ยังเป็นนิสัยอันนี้อยู่ที่การกระทาของเราตั้งแต่บัดนี้ ไปแล้วตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นตัวหล่อหลอมนิสัยของพวกเรากัทุกคนพวกเราจงมีนิสัยไม่เหมือนกันมีสันดานไม่เหมือนกันเพราะมีการกระทำในอดีตที่ผ่านมาไม่เหมือนกันบางคนก็ทำดีมากบางคนก็ทาดีน้อยบางคนก็ทำบาปมากบางคนก็ทาบาปน้อย จึงทำให้คนเรามีความแตกต่างกันไปมีนิสัยใจคอแตกต่างกันไปถึงแม้จะมาเกิดในครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันคานออกมาจากท้องแม่คนเดียวกันก็ตามแต่ที่มาของนิสัยสันดานนี้ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่มาจากการกระทำของเราที่เรียกว่ากรรมนี่เองบุญกรรมบุญบาปเนี่ยที่เราทำ มันจะเป็นตัวหล่อหลอมให้เรามีนิสัยดีหรือนิสัยเลวแต่นิสัยเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนได้ถ้าเราสมมติว่าเรามีนิสัยไม่ดีแล้วเราไปเห็นคนที่เขามีนิสัยดีเราเปรียบเทียบดูแล้วคนที่มีนิสัยดีเขามีความสุขกว่าเราเขามีมีคนรักมากกว่าเราถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนเขา เราก็มาเปลี่ยนนิสัยของเราพยายามฝืนเวลาที่เราจะทำอะไรไม่ดีเราก็ฝืนต้องฝืนถ้าฝืนไปเรื่อยๆบ่อยๆเข้าเดียวก็คก็จะเปลี่ยนนิสัยได้เปลี่ยนนิสัยจากไม่ดีมาเป็นนิสัยที่ดีได้แต่ต้องมีอะไรมากระตุ้นให้เราคิดให้เราทำส่วนใหญ่ก็ต้องมี บางทีเห็นผลแตกต่างของเรากับของคนอื่นเอ่ะทำไมคนอื่นเขามีคนรักมากมีเพื่อนมากเรานี่ไม่มีใครรักเลยมีแต่คนเกลียดก็ลองมาันเฝ้าดูว่าทาไมาเห็นการกระทำของเขากับเรามันต่างกันเขามีแต่ทำบุญทำประโยชน์ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เรามีแต่เอาลัดเอาเปรียบมีแต่ความเห็นแก่ตัว ผลมันก็เลยแตกต่างกันเราจรึงไม่ค่อยมีเพื่อนไม่มีคนรักไม่เหมือนกับเขาเขามีเพื่อนเยอะมีคนรักเยอะเพราะเขามีการเสียสละเยอะกว่าเราถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนเขาเราก็ถัดทำแบบเขาดูพอเราทำแบบเขาต่อไปมันก็จะเป็นเหมือนเขานั่นแหละเพราะว่าเขาเป็นอย่างนั้นก็เพราะการกระทำของเขา เราจะเป็นแบบเขาเราก็ต้องกระทำเหมือนเขานี่เรื่องของกฎแห่งกรรมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องมีใครมาตัดสินไม่ต้องมีใครมาลงโทษหรือมาให้รางวัลมันมีผลของมันอยู่ในตัวแต่ผลผลที่ที่ตรงที่สุดก็คือที่ใจ ผลที่ร่างกายนี้เป็นผลที่ไม่แน่นอนอาจจะมีก็ได้อาจจะไม่มีก็ได้อาจจะมาช้าหรืออาจจะมาเร็วก็ได้ยิ้นอย่าไปวัดผลที่ร่างกายให้วัดผลที่จิตใจแล้วเราจะจะได้ไม่สงสัยในเรื่องของกฎแห่งกรรมว่ามีจริงหรือไม่ถ้าเราดูที่จิตใจเราก็จะดูที่ ความสุขของจิตใจและสถานภาพของจิตใจจิตใจของพวกเรานี้มีสถานภาพมีตำแหน่งเหมือนกับทหารตำรวจทหารตำรวจเขามียศในร้อยในพันจิตของเราก็มียศจิตของเรานี้มียศที่เรียกว่าภพชาติต่างๆความเป็น สัตสัตว์ชนิดต่างๆสัตว์โลกชนิดต่างๆเช่นมนุษย์นี้ก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งเทวดานี้ก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งพรหมนี้ก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งพระอริยบุคคลก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งเดชะชานก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งเปรตอสูรละกายนี่ก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่ง สัตว์เหล่านี้เขาได้รับยศของเขาตามการกระทาของเขานั่นเองถ้าเขาทำความดีเขาก็จะเลื่อนชั้นจากมนุษย์ขึ้นไปสู่ชั้นเทวดาชั้นพรหมชั้นอริยบุคคลถ้าเขาทำบาปเขาก็จะเลื่อนลงต่ำจากมนุษย์ก็ลงไปเป็นเดชะชาน เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกนี่คือสถานภาพของจิตใจที่จะเปลี่ยนไปตามการกระทำบุญหรือการกระทำบาปนี่คือเรียกว่าความเจริญหรือความเสื่อมท่านยังบอกว่าทาบุญจิตใจก็จะเจริญ จากมนุษย์ก็จะเป็นเทวดาไปทีละเล็กเท่าน้อยไม่ได้เป็นแบบทันทีทันใดเต็มร้อยเลยตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันทุกครั้งที่เราทําบุญนี้เราขยับใจของเราให้ขึ้นไปเป็นเทวดากันทุกครั้งที่เราทําบาปเราก็ดึงใจให้ลงต่ําจากมนุษย์นไปเป็นเปไปเป็นเดรัจฉาน แล้วเราก็ทาของเราอยู่เรื่อยๆทุกวันสะสมกันไปเรื่อยๆบุญก็สะสมไปบาปก็สะสมไปตามที่เราเป็นมนุษย์อยู่นี้เรายังแบบสามวันดีสี่วันไข้อยู่สามวันเป็นเทวดาสี่วันเป็นเดรัจฉานแล้วแต่การกระทาที่เราทำกันสลับไปสลับมามันก็จะสะสม อยู่ภายในใจของเราแล้วมันจะมาตัดสินตอนที่ร่างกายของเรานี้ตายไปทีนี้ใจมันต้องไปทางใดทางหนึ่งแล้วมันอยู่กับร่างกายไม่ได้แล้วมันต้องไปสวรรค์หรือไปอบายแล้วหรือกลับมาเป็นมนุษย์ก็อยู่ที่ผลบุญผลบาปที่ได้สะสมกระทำไว้ถึงวันวาราศุดท้ายของชีวิต ที่เราเรียกว่าจิตสุดท้ายนะจิตสุดท้ายก็คือตอนที่เรามาคิดบัญชีบุญคิดบัญชีบาปกันนั่นเองว่าบัญชีบุญมีกี่เปอร์เซ็นต์บัญชีบาปมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วบัญชีไหนมีน้ำหนักมากกว่าเช่นบัญชีบุญมีหกสิบบัญชีบาปมีสี่สิบอันนี้บุญก็จะมีกำลังมากกว่า ที่จะดึงจิตให้ไปเป็นเทวดาก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าบาปที่ทำไว้จะถูกลบล้างหายไปยังมีอยู่สี่สิบเปอร์เซนแต่ยังไม่มีกำลังที่จะดึงจิตไปอบายก็เลยไปเป็นเทวดาก่อนพอไปเป็นเทวดาไปซักระยะหนึ่งบุญที่ก็บุญที่ไปเป็นเทวดาก็จะลดลงมาเพราะมันเป็นเหมือนน้ำมันลถยนต์ พอเราเติมน้ำมันแล้วเราขับรถไปไหนมาไหนน้ำ ม, นมันมันก็จะค่อยๆลดลงไปเราสังเกตดูที่เกมวัดในรถก็เห็นวเวลาเติมนี่มันไปที่ตัวเต็มถังกลับไปกลับไปทําไมมันเริ่มลดเรลดลงบุญแบบเดียวกันบุญที่เราทําพอเราไปรับผลบุญก็เท่ากับเราไปใช้บุญไปเป็นเทวดานี้ไปใช้บุญไปรับความสุข จากการเป็นเทวดาแล้วพอบุญมันลงมาเท่ากับบาปบาปเรามีสี่สิบบุญตอนต้นเรามีหกสิบแล้วพอไปเป็นเทวดาใช้นักระยะหนึ่งมันลดลงเหลือสี่สิบทีนี้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่บนสวรรค์เป็นเทวดาได้แนละ้วเพราะว่ามันไม่มีกำลังที่จะดึงขึ้นไปเพราะบุญกับบาปมันมีกำลังเท่ากัน บุญก็ขึ้นดึงขึ้นสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงไปอบายไม่ได้ตอนนั้นเราก็มากลับมารอรับร่างกายอันใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวตอนที่เราเกิดเป็นมนุษย์นี้บุญกับบาปมันจะมีเท่ากันบุญสี่สิบบาปสี่สิบแล้วพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้ก็อยู่ว่าเราจะทำอะไรต่อไปทำบุญทำบาปเหมือนกับชาติก่อน ทำมากทำน้อยก็อยู่ที่เหตุการณ์ถ้าเกิดมาชาติใหม่นี้ไม่ไม่โชคดีเกิดกับครอบครัวที่ไม่ได้ทำบุญเกิดกับครอบครัวที่ยากจนแร้นแค้นถ้าไม่มีนิสัยทำบุญก็อาจจะถูกเหตุการณ์บีบบังคับให้ไปทำบาปได้พอต้องดิ้ น, นรนต่อสู้เลี้ยงดูชีวิต หรือไต่เต้าให้ให้เป็นใหญ่เป็นโตให้ร่าให้รวยขึ้นมาก็อาจจะไต่เต้าไปในทางที่ผิดด้วยวิธีที่ผิดก็คือการทำบาปต่างๆเช่นไปค้ายาเสพติดไปทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายแต่ร่ารวยขึ้นมาได้เป็นเจ้าพ่อเป็นอะไรขึ้นมาได้แต่เจริญทางร่างกาย แต่ทางจิตใจนี้ตกต่ําเพราะทําบาปไว้มากพอไม่มีแล้วก็ถ้าลองไปอยู่ในวัฏจักรแบบนี้อยู่ในสังคมแบบนี้การทําบุญนี่ก็แทบจะไม่มีเนีมีก็มีน้อยอย่างที่พูดอาจจะทําวันเกิดวันปีใหม่อะไรพอตายไปเทนี้บัญชีบุญกับบัญชีบาปมันจะพลิกเลยอยาก การชาติก่อนหกสิบสี่สิบไปในทางบุญเดี๋ยวชาตินี้มันอาจจะแปดสิบกับยี่สิบว่าบุญก็ไม่ได้ทำเลยทำบาปเยอะกว่าทีนี้เวลาตายไปจิตสุดท้ายมันก็จะเป็นจิตบาปนะพะมันมีแปดสิบไปในทางบาปยี่สิบไปในทางบุญมันก็เนี่ยต้องไปรับผลในอบาย เป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างขึ้นอยู่กับสาเหตุของการทำบาปว่าทำเหตุทำด้วยเหตุผลอันใดเหตุผลอันใดเป็นตัวกระตุ้นให้ไปทำบาปทำเพราะความหลงทำเพราะความไม่รู้ทำเพราะคิดว่าจำเป็นต้องทำต้องเลี้ยงชีพเคนที่มีอาชีพ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เขาไม่ได้คิดว่าเป็นการกระทํำบาปเขาคิดว่าเป็นการกระทําด้วยความจําเป็นต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อการอยู่รอดของชีวิตเมื่อไม่มีอาชีพอื่นที่ทําได้ก็ต้องทําอาชีพที่ต้องทําบาปอันนี้ก็จะไปเป็นเวรัจฉานถ้าทําด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากรลิศ อ, อยากรวย อยากเป็นใหญ่เป็นโตทำด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยถ้าทําบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นนสุลกายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวต่างๆนานาแล้วถ้าไปทาบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปเป็นนรกจะมีความรุ่มร้อน ถ้ามองในลักษณะของความฝันก็จะฝันแต่เรื่องที่ทำให้รุ่มร้อนจิตใจถ้าเป็นนรกถ้าเป็นอสุรกายก็จะฝันแต่เรื่องที่ทำให้มีแต่ความหวาดกลัวถ้าฝันถ้าเป็นเปรตก็จะฝันแต่เรื่องที่ทำให้หิวโหยได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออันนี้คือ ผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเวลาจิตสุดท้ายนี้มาคิดบัญชีกันแล้วมีบาปมากกว่ามีบุญบาปก็จะเป็นผู้ที่จัดการส่งไปอบายช่องต่างๆมีอยู่สี่ช่องด้วยกันแล้วแต่สาเหตุของการทำบาปว่าทำด้วยเหตุผลอันใดเมื่อไปรับผลบาปแล้วบาปก็จะค่อยๆหมดไปเหมือนกับบุญเมื่อ บุญกับบาปม า, มามีระดับเท่ากันบาปที่แปดสิบลดลงเหลือยี่สิบมาเท่ากับบุญก็บาปก็ไม่สามารถดึงให้อยู่ในบายต่อไปได้บุญก็ไม่สามารถดึงไปสวรรค์ได้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่นี่เป็นคนที่แบบว่า ไม่มีนิสัยทางใดทางหนึ่งแล้วแต่เหตุการณ์พาไปเวลามาเกิดมีเหตุการณ์อันใดพาไปก็จะไปเหตุการณ์พาไปทำบุญก็ไปทำบุญเหตุการณ์พาไปทำบาปก็จะไปทำบาปนี่เป็นพวกที่เป็นนิสัยกลางๆไม่เอนไปทางบุญไม่เอนไปทางบาปจะใสยสิ่งแวดล้อมจะศสยเหตุการณ์เป็นตัว กระตุ้นให้ไปทำบุญกว่าทำบาปส่วนพวกที่มีนิสัยทำบุญนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งพวกนี้มักจะลงมาจากสวรรค์เพราะมีนิสัยทำบุญก็เวลาตายมักจะมีมีบุญมากกว่าบาปเวลาก็จะไปเกิดในสวรรค์แล้วพอบุญกับบาปเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ กอเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทําบุญใหม่เพราะมิสัยชอบทําบุญถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่ทําบุญก็ตามแต่ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะทําบุญเพราะมีความผูกพันกับการทําบุญตรงนี้ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุขติเป็นส่วนใหญ่กลับมาเกิดก็จะทําบุญมากกว่าทําบาปตายไปก็จะไปสวรรค์ จากสวรรค์ก็กลับลงมาเกิดใหม่ส่วนพวกที่มีนิสัยสันดานชอบทำบาปนี่พวกนี้ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในอบายในทุกขติเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดมาก็จะชอบทำบาปไม่ชอบทำบุญยพอตายไปบาปมันย่อมมีมากกว่าบุญบาปก็จะเดึงให้ไปเกิดในอบายอยู่เรื่อยๆ พอพ้นจากบายก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทำบาปต่อไปจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อไปเกิดในครอบครัวที่ดีครอบครัวที่เขาสอนหรือบังคับให้ทำดีแล้วอาจจะได้สติขึ้นมาว่าโอททำดีนี่มันดีกว่าทำบาปก็อาจจะเปลี่ยนได้คนที่ทำดีก็อาจจะเปลี่ยนไปทำบาปได้ถ้าไปเกิดอยู่ในครอบครัวที่เขาทำบาป แล้วก็ทําไปกับเขาแล้วก็อาจจะหลงไปกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทําบาปก็อาจจะลืมเรื่องการทําบุญไปก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของสันดานไอ้อเรื่องของนิสัยนิสัยนี้ยังเพราะยังถูกเหตุการณ์นี้เปลี่ยนแปลงฉุดไปได้แต่พวกที่เป็นสันดานนี่มักจะไม่เปลี่ยนพวกที่มีสันดาน ดีนี่ถึงแม้จะไปอยู่กับครอบครัวถึงแม้จะมีเหตุการณ์ที่จะฉุดให้ไปทำบาป ก, ก็มักจะไม่ทำนะจะไปทำความดีอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีนิสัยสันดานไปในทางความดีถึงแม้จะเกิดเป็นราชโอรสและมีโอกาสจะได้เป็นมหาจากักรพรรดิแต่ท่านก็ไม่เอาท่านเห็นว่าเป็นมหาจากักรพรรดิก็ต้องทำสงคราม ต้องมีการฆ่าฟันซึ่งไม่ใช่เป็นนิสัยสันดานของพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เอาทางเป็นมหาจักรพรรดิท่านเลือกทางของนักบวชแทนอันนี้เป็นเรื่องของสันดานเปลี่ยนยากไม่ว่าจะในทางดีหรือทางชั่วก็ตามคนมีสันดานชั่วต่อให้เกิดเป็นอยู่ในครอบครัวที่มีสันดานดีมันก็เปลี่ยนไม่ได้ อย่างพระเจ้าอาชาตัดอะไรเนี่ยสัต ต, ตที่ข่าพ่อเนี่ยมีสันดานชั่วมีพ่อเป็นคนมีใจบุญสุนทานพยายามสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีสอนยังไงมันก็ไม่เชื่อเพราะมันตัณหาความอยากมันรุนแรงอยากได้มากจนถึงกับข้าพ่อได้ข่าบิดาได้ นี่คือเรื่องของอกฎแห่งกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของพวกเรามันเป็นในลักษณะอย่างนี้ถ้าเรามองแบบนี้เราก็จะได้เข้าใจและรับกฎแห่งกรรมได้และเชื่อกฎแห่งกรรมได้และอาจจะทําให้เราเปลี่ยนได้ถึงแม้เราจะมีสันดานไปในทางบาปขนาดไหนก็ตาม ถ้าเรามีโอกาสได้มาศึกษากฎแห่งธรรมตามหลักที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่ก็อาจจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนมาให้เป็นคนดีได้อย่างพระเทวทัตนี่ก็มีสันดานทาบาปคิดฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันถึงแม้จะได้บวชเป็นพระมาก็ตามแต่นิสัยสันดานการกระทาบาปมันแรงกว่า นิสัยของการทำบุญแต่ก็มาเปลี่ยนได้ตอนปลายของชีวิตด้วยความสำนึกผิดสำนึกว่าการกระทำบาปนี้มันไม่ดีเปนอันเป็นโทษต่อตอนเองอย่างยิ่งก็ไปขอขอมาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าด้วยเหตุที่ได้มีความ สำนึกผิดนี่ทาให้พระประเจกะทาให้พระเทวทัตี้หลังจากที่ไปรับผลของบาปก่อนแล้วพอพ้นจากบาปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะสามารถเปลี่ยนนิสัยมาปฏิบัติจนบรรลุปเป็นพระประเจกะพุทธเจ้าได้ต่อไปนทุกอย่างมันเปลี่ยนได้เรื่องของกฎแห่งกรรมเคยชั่วขนาดไหนถ้าเห็นโทษของการกระทําชั่วมันก็เปลี่ยนได้ ถ้าทำดีขนาดไหนถ้าไปหลงกับผลที่จะได้รับจากการทำชั่วก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเะฉั้นมันอยู่ที่ว่าจะคิดเป็นหรือคิดไม่เป็นสมาทิฐินี้คือการคิดเป็นคิดถูกคิดตามความหลักความเป็นจริงถ้าไม่มีก็ต้องอาศาัยคนที่มีต้องไปเจอคนที่มีสมาทิฐิ คนที่มีสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่พวกเราเนี่ยชาตินี้โชคดีได้จะมาเจอคนที่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมที่จะสามารถที่จะชี้บอกเราถึงคุณของให้เราเห็นคุณเห็นโทษของการทำบุญของการทำบาปได้แล้วมันก็จะทำให้เราเปลี่ยนทัศนคติของเราได้ จากการไม่เชื่อกฎแห่งกรรมก็จะมาเชื่อกฎแห่งกรรมอย่างเต็มที่ถ้าได้รับการอธิบายอย่างถูกต้องตามหลักความเป็นจริงถ้าไม่ได้รับการอธิบายก็ยังสงสัยอยู่ถ้าไปชี้ให้ดูผลของกฎแห่งกรรมที่เกิดกับร่างกายนี้ก็จะสับสนทันทีจะไม่เข้าใจทันทีว่าทำไมคนนี้ทำดีแต่กลับไม่ได้ดี คนนี้ทำาชั่วทำไมกลับได้ดิบได้ดีเพราะว่าเราไปดูที่ร่างกายที่เป็นไม่ใช่เป็นตัวกระทำบุญกระทำบาปที่แท้จริงเป็นสมุนหรือเป็นผู้เ ป, ผเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการกระทำบุญหรือการกระทำบาปแล้วมันก็เป็นผลไม่จีรังถาวร ผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็เป็นผลแค่ชั่วคราวตายไปผลเหล่านี้ก็สูน์ไปหมดที่เรียกว่าตายแล้วสู์นี่ก็คือผลที่ได้รับทางร่างกายนี้มันสูน์หมดได้ตำแหน่งขนาดไหนตายไปก็สูน์ไปได้เงินทองมากน้อยเพียงไรตายไปก็สูน์ไปที่ไม่สูน์ก็คือบุญะบาป ท, ที่ได้สะสมไว้ในใจนี้อันนี้แหละไม่ศู์ อันนี้แหละที่เป็นตัวไปบุงแต่งหรือไปปัวเป็นเป็นตัวที่ทาให้ใจนี้เป็นสัตว์โลกชนิดต่างๆไป น, นี่คือสิ่งที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามไม่สามารถที่จะมาลบล้างกฎแห่งกรรมได้รู้หรือไม่รู้ก็ตามก็ไม่สามารถที่จะมาลบล้างกฎแห่งกรรมได้ กฎหมายในโลกนี้เขาเปลี่ยนได้ลบล้างได้ถ้าคนไม่เชื่อไม่ยอมปฏิบัติธรรมมากๆเดี๋ยวเขาก็ไปเปลี่ยนกฎหมายในในสภาได้เห็นไต่อไปก็คงจะออกกฎหมายให้ทำให้คนตายได้เป็นหมอก็ถ้าคนไข่ยอยากจะตายก็ฉีดยาให้คนไข้าตายได้มีแล้วบางประเทศประเทศที่เขาจเจริญทางร่างกายทางวัตถุนี่ เขาไม่รู้เรื่องของจิตใจเขาไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเขาก็จะเปลี่ยนกฎหมายเพื่อทำตามที่เขาคิดว่าถูกเขาคิดว่าการอยู่แล้วทรมานอยู่แบบไม่มีความสุขอย่าอยู่ดีกว่าตายดีกว่าถ้าร่างกายไม่ตายก็ต้องทำให้มันตายแล้วจะทำให้มันตายแบบไม่ผิดกฎหมายก็ต้องออกกฎหมายใหม่มารองรับ ยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็รมีการออกกฎหมายมารองรับว่าเสพได้ไม่เป็นไรเอามาใช้ทางตอนต้นก็มาใช้ทางรักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่อมาก็เพื่อมาใช้ในการาบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจมันเปลี่ยนได้หมดกฎหมายทั้งโลกถ้ามีเสียงข้างมากสะอย่างถ้าคนมีความเห็นเหมือนกันมันก็เปลี่ยนได้ แต่กฎแห่งกรรมนี่ไม่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ถึงแม้ว่าคนทั้งโลกไม่เชื่อกฎแห่งกรรมก็ไม่สามารถมาลบล้างกฎแห่งกรรมได้กฎแห่งกรรมนี้ไม่ขึ้นอยู่กับสภาของสภาขอ ง, ของประเทศไหนก็ตามกฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎของธรรมชาติเหมือนกฎของธรรมชาติที่ที่จัดการกับระบบนิเวศของเราเนี่ยผลฟ้าอากาศนี่มันเป็นกฎของ ธรรมชาติมันจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปตามธรรมชาติมันก็มีการเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนไปตามกรรมธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาตินี้มันก็ยังไม่เที่ยงอา น, นิจังโลกต่างๆจั ก, กรวาลต่างๆนี้มันไม่เที่ยงมันมีเกิดแล้วมันก็มีดับได้แต่มีกฎแห่งกรรมตัวเดียวเนี้ยที่ไม่มีเกิดไม่มีดับ เพราะมันเกี่ยวข้องกับจิตใจที่ไม่มีเกิดไม่มีดับเหมือนกันนอกกนั้นแล้วของอย่างอื่นมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาแม้แต่กฎธรรมชาติก็เปลี่ยนไปนตอนนี้ภาวะโลกร้อนมากขึ้นมันก็เปลี่ยนไปแล้วกฎของธรรมชาติมันก็เปลี่ยนไปพายุ ก, ก็มากขึ้นน้ำก็ท่วมมากขึ้น ภัยแรงก็มากขึ้นควันพิษก็มากขึ้นฝุ่นพิษก็มากขึ้นอันนี้มันเป็นกฎของธรรมชาติที่เปลี่ยนไปตามตามเหตุการณ์แต่กฎแห่งกรรมก็ยังเหมือนเดิมอยู่กรุงเทพจะมีฝุ่นมากแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนกฎแห่งกรรมก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎท้าวร เพราะมันเกี่ยวกับจิตใจที่เป็นสิ่งที่ถาวรจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสูญไม่มีวันดับไม่มีวันหมดจิตใจนี้เป็นจิตที่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมถ้าอยากจะมีความสุขมีความเจริญก็ขอให้เราทำแต่บุญบุญก็มีหลายระดับระดับเทพก็เรียกว่าทำทานรักษาศีลต้องทำสองอย่างถึงจะได้เป็นเทวดา คือต้องไม่ทำบาปเพราะทำบาปก็จะถูกบาปดึงไปอาบายต้องไม่ทำบาปถ้าไม่ทำบาปไม่ทำบุญก็อยู่แค่มนุษย์อยู่แค่ยังไม่ขึ้นสวรรค์ถ้าอยากขึ้นสวรรค์ชั้นเทพก็ต้องทำบุญด้วยรักษาศีลห้าด้วยถ้าอยากจะขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องเพิ่มศีลเป็นศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิทาใจให้สงบ จเจริญสติอยู่เรื่อยๆพอจิตสงบรวมเป็นฌานจิตก็จะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรมโลกแล้วถ้าอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพระอริยบุคคลสวรรค์ที่ไม่เสื่อมเหมือนกับสวรรค์ชั้นพรมชั้นเทพก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติเพิ่มอีกข้อหนึ่งคือการจเจริญวิปัสสนาจเจริญปัญญาปัญญานี้มีไว้เพื่อกาจัด กิเลสตัณหาตัวที่คอยฉุดลากจิตใจให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองถ้ามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสีเข้าใจว่าความทุกข์เข้าใจว่าการเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาจากตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็จะ ฝืนไม่ทำตามถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนไหยตายเกิดถ้าไม่อยากจะเสื่อมลงมาจากสวรรค์ชั้นพระอริยจากสวรรค์ชั้นพรมถ้าอยากจะขึ้นจากสวรรค์ชั้นพรมไปสู่สวรรค์ชั้นที่ถาวรก็ต้องใช้วิปัสสนาใช้ปัญญาคอยห้ามจิตใจคอยเบรกจิตใจไม่ให้ไปทำตามความอยากต่างๆ พอความอยากที่เป็นตัวคอยดึงฉุดลากจิตใจให้ลงจากสวรรค์ชั้นพรมมาสู่สวรรค์ชั้นเทพมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ถูกกําจัดหมดไปมันก็ไม่มีอะไรจะดึงจิตให้ลงตามอีกต่อไปถ้าได้ขั้นที่หนึ่งก็จะลงมาเกิดไม่เกินเจ็ดครั้งอในขั้นที่สองก็จะมาเกิดเพียงครั้งเดียวในในภพของมนุษย์เนี่ถ้าได้ขั้นที่สามก็ไม่ต้องลงมา เกิดในชั้นของมนุษย์ษยเทวดาแต่ยังติดอยู่ชั้นของพรมอยู่พอได้ขั้นที่สี่ก็ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปในตายภพไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพอได้กําจัดเหตุคือตัณหาทั้งสามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาการกระทาขั้นสุดท้ายนี้จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตัสทะลุเท่านั้นถ้าไม่มีก็จะทำได้แค่ระดับสมาธิระดับสมถะภาวนาก็ยังจะต้องติดอยู่กับการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ พราไม่มีใครจะมาสอนมาบอกว่าเหตุที่ทำให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆก็คือกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหานั่นเอง และสิ่งที่จะมาหยุดกราร ม, มาตัญหาภวตัญหาวิภวตัญหาได้ก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้าคือการเห็นใจรักในสิ่งต่ตางๆที่ตัญหาต้องการนั่นเองเห็นไตรักเห็นอริยสัจสีก็จะไม่ทําตามกราร ม, มาตัญหาภวตัญหาวิภวตัญหาอันนี้ต้องรอให้มีพระพุทธศาสนาถึงจะสามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าไม่มีก็ทำได้อย่างมากก็คือเวียนว่ายตายเกิดในสุขติตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทศพเป็นพรหมพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่<ๆ>ก็มาทำบุญทำทานใหม่มารักษาศีลใหม่มานั่งสมาธิใหม่ก็จะกลับขึ้นขึ้ น, นลงลงในสุขติไปรอเวลามาเจอพระพุทธเจ้าพอมีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมพวกที่ได้ฌานได้ชั้นระดับพรหมพอได้ปัญญาก็บรรลุกันทันที ัรรู้เป็นพระอริยบุคคลกันทันทีนี่คือความยิ่งใหญ่ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ไม่มีคำสอนใดในโลกนี้จะสามารถมาวัดความยอดเยี่ยมได้เมื่อไม่มีอะไรจะยอดเยี่ยมเท่ากับคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าพราไม่มีคำสอนของใครในโลกนี้ที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ นอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพวกเราเป็นพวกที่มีโชคยิ่งกว่าถูกก็ตะรลลรางวัลที่หนึ่งอย่าว่าแต่ครั้งเดียวเลยร้อยครั้งพันครั้งก็ยังสู้การมาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราได้พบแล้วให้รีบไปขึ้นรางวัลไปศึกษาไปปฏิบัติตามคำสอน ได้รับเราได้รางวัลคือมรรคผลนิพพานก็จะเป็นรางวัลที่เราจะได้รับกันต่อไปการสแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวะเรวาหาปุราปาริปุเรนติสากลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะราโสยธาเมณิโชติราโสยธาสัพพิตโยวิวัชจันโต สัพพะโรโควินาศสตุมาเตภวโตอันตรายุสุขีทีคายยโกภวะพิวะธนสิลิตสนิจังุทธาปจายโนจตารโหธรมมวะทานติอายุวโนสุขังภาล วันนี้เข้ามาเท่าไหรวันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยห้าสิบห้ายสองร้อยห้าสิบสามิทยุออนไลน์สามสิบรับฟังข้างบนนี้สี่สิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดหกร้อยแปดสิบห้าครับน้ำพรสการค่ะหลวงพ่ อ, เ, อ, อเมื่อวานนี้หนูจะถามว่าเมื่อวานเนี้ยหนูไม่มีเรื่อง มีเรื่องกระทบใจนิดนึงก่อนที่จะมานั่งฟังธรรมพระอาจารย์แต่ตอนที่มีเรื่องกระทบใจเนี่ยหนูไม่ได้รู้สึกในเรื่องนั้นเลยแต่พอมาฟังธรรมพระอาจารย์ขณะที่นั่งสมาธิแล้วฟังธรรมพระอาจารย์ไปสักระยะหนึ่งอะ่ะอยู่ดีๆใจมันเริ่มกระเพื่อมแล้วมันไม่สงบเอ๊หนูมันรู้สึก ฟังไปสักยี่สิบนาทีแล้วมันไม่มันมันไม่สงบหนูก็เอาพุโทโธใส่เข้าไปเพื่อเพื่อให้ใจของตัวเองที่มันเต้นแรงอะ่ะที่ไม่สงบอะ่ะมันก็ไม่หายหนูก็เกิดถามในใจว่าเอ้นี่เป็นอะไรอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมนันโผขึ้นมาว่าไม่ได้ดังใจพระเจ้าค่ะอย่างเงี้ยพระอาจารย์อ่าพดีไงก็เป็นธรรมโผล่ขึ้นมาใจทุกข์เพราะไม่ได้ดังใจ อ, งอยากจะหายทุกข์ก็อย่าไปอยากได้ อ๋อ oh. สาธุเจ้าค่ะมันเกิดขึ้นคือคือแต่ถ้อเหตุทําไมเราตอนที่เราเจอกระทบตอนแรกแล้วมันไม่ทุกตอนนั้นแล้วเจ้าค่ะมันมาสงบมันมาทุกตอนที่สงบอะเจ้าค่ะตอนนั้นมันยังไม่อยากไมันถูกกระทบถ้าไม่อยากก็ไม่มีผลนัอะไรอ๋อ oh. สาธุทําเกิดเกิดความอยากขึ้นมามันถึงจะเกิดผลขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา สาธุจะขคาถ้าอะไรมาก็ทุบเราเฉยๆไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเลยใครจะดา่าใครจะว่าอะไรถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ดา่าไม่ว่าเราเราก็ไม่เดือดร้อนแต่พอเราอยากเช่นตอนนี้เรานั่งตอนที่เราฟังใจเราบันรอยเราอยากให้มันสงบที่มันไม่สงบเราก็เลยทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราก็ต้องรู้ว่าสาเหตุที่ใจเราไม่สงบก็เพราะไม่มีสติก็ดึงสติกลับมาสิตั้งใจฟังบังคับให้อยู่กับการฟังไปมไม่ตั้งใจฟังก็เหมือนกับไม่มีสติลอยอาจจะก็ในใจอาจจะลึกๆคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ได้มาเลยฟังไม่รู้เรื่องมันก็เลยไม่มีความสุขจากการฟังธรรมตอนนี้ทางเคเบิลยังมีถ่ายทอดอยู่่า ทุกวันนะช่องอะไรนะช่องช่องแปดถ่ายทอดสดนยแต่หลังจากนั้นก็จะไม่มีดูย้อนหนังมีไหมก็มีอย่างของอย่างอื่นต่อเลยมีแต่ถามตอบอย่างนีใช่แต่หลังหลังจากที่จบที่นี่แล้วท้องมีรายการอื่นไหมไม่มมีแต่ธรรมะอย่างอื่นอย่างอื่นนะเป็นตลอด24ชั่วโมงก็แ่บช่องนี้24ชั่วโมงแต่เป็นธรรมะของพระรูปอื่นของอะไรอย่างอื่นแต่เป็นช่องธรรมะเลย บ้านอำเภอก็มีโฆษณานิดหน่อยค่ะเขาเรียกบ้านอำเภอ อ, อ, อ, อ, อ, อ, ออะไรนะบ้านอำเภอเคเบิลช่องแปดเผื่อใครมาอยู่แถวนี้แถวคอนโดโรงแรมที่ก็มีเคเบิลก็เปิดดูได้ถ้าไม่ได้มาที่วัดแต่ต้องสองบงสายทอดด่อสดภาพเสียงดี ก็มีบางวันที่หนูก็ไม่กลาถับเทเบิลเจ้าว่ามันมีแบบขึ้นเส้นอ่ามันมีปัญหาอาจจะเป็นทางเทคนิคก็ได้บางวันก็ชัดบางวันก็ไม่ชัดแต่เสียงชัดก็เสียงชัดเแต่ภาพไม่เป็นไรบอกได้เพราะต้องการจะรู้ผลของการถ่ายทอดว่าเป็นได้ผลยังไงบ้างจะได้อาจถ้า จะได้บอกเขาได้เขาจะได้ปรับปรุงได้เพราะบางทีคนเขาทำเขาไม่รู้ว่าคนดูดูอย่างไรเขาไม่ได้มาคอยเฝ้าดูตลอดเวลาก็เลยต้องอาศัยขาประจําอย่างพวกเรานี่คอยรายงานผล <S <S 1> <S 1> <S ต่อไปขอโอกาสหลวงพ่อคะ่ะเอเรื่องของกรรมระวิบากค่ะยมพาคุณพ่อไปทานอาหารทีนี้เขาก็สั่ง สั่งกุ้งเธอเอิญกุ้งมันยังเป็นเป็นอยู่โยมโยมก็เสือไปเขาก็บอกว่าเอาตอนที่เขาสั่งโยมก็เสออินเทอร์เจ็คไปว่าก็สั่งเป็นสองกิโลไปเลยหรือว่าทั้งกิโลไปเลยแล้วก็แบ่งทําอะไรหลายอย่างโดยที่โยมไม่ได้ไม่ได้เจตนาว่าจะให้กุ้งมันตายโยมคิดในแง่ของไฟแนนซ์มันก็มีส่วนนะโยมก็เลยไปเสอเขาเลยไปเสือ เราไปคิดทางเรื่องเนื่องประหยัดเงินเรื่องของเทรดเรื่องของความโลภเสียดายเงินทําบาปด้วยความเสียดายเงินจริงก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เสียดายเงินอะไรนะคแต่ว่าเขาก็ก็ไม่อยากใา้มันเสียแล้วแล้วโยมโยมไม่ได้ตั้งใจจะทานทีนี้คุณพ่อเขาก็สักเนื้อเอามาให้โยมก็เลยโดนเข้าไปเต็มเต็มเลยอย่าไปหรีกเลี่ยงเลยจะต้องทํำพยามรับแล้วพยายาม แก้ไขข่าวต่อไปก็แล้วกันข่าต่อไปก็อย่าไปกินในร้านที่มันมีของสดๆเหล่านี้สิใครจะไปก็ปล่อยเขาไปว่าเราไม่ไปด้วยเราไม่อยากจะไปอบายบว่าไงนะสุกที่ปากแต่ใจมันต้องไปอบายมันคุ้มไหมมีใครอยากจะถามไหมไม่มีก็เอาทางบ้านต่อ อ, อาจารย์โกยังไง เห็นเตรียมตัวอยู่เราเก็บเสื <si ้ออยู่ค่ะอ่าเอาเลยเราเบาหน่อยลดเสียงหน่อยนะอาจารย์เสียงโก๋เวลาสอนแล้วมันแหบเวลาพูดไม่ได้ยินก็จะแหบๆอย่างเงี้ยอาจารย์เพราะสอนหนังสือเยอะครั้งสมัยตอนบวชนะครับหมายถึงตัวเองบวชตอนเป็นนวกะก็เข้าใจถึงเรื่องอัตราบริคาร เข้าใจถึงเรื่องผ้ากาเสบบพัดบาทเตฉันยาดองด้วยน้ำมุดเนา่าปัจจุบันนี้เพิ่งเข้าใจว่าพระองค์อยากให้เรียบง่ายแล้วก็ตัวของธรรมได้ต่อเป็นเลโก้สูงใหญ่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทตลอดจนเรื่องราวของที่พระอาจารย์ได้เทศให้ฟังสี่ห้าวันก็ถือว่าต่อกันเป็นเลโก้ ที่สงย์ใหญ่แต่มีจิก๊กซอบางตัวที่ไม่สามารถจะถลุงเข้าไปได้เช่นคําว่าสังสารวัตแล้วก็คําว่าจักษุทิพย์โสทิพย์เวลาเราเห็นตาเรารู้ว่าเมื่อไหร่ตาเราหลับเราก็จะไม่เห็นเวลาเราได้ยินเวลาเราเงียบเสียงเงียบลงเราก็จะไม่ได้ยินคราวนี้คําว่าจักษุทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์ทั้งหลายแหละ จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นรูปกับนามขอให้อาจารย์อธิบายสองคำคำแรกคือสังสารวัตคคำที่สองคือข้อเปรียบเทียบการคอนเท็ก์ระหว่างตาทิพย์กับจักรสุทิพย์ครัาบอาจารย์ <c oughs> สังสารวัตรก็คือภพชาติที่เราเรียกว่าไตภพนี่เองสังสารวัตนี้ประกอบด้วยภพก็เรียกว่าไตภพกามภพรูปภพอรูปภพ เป็นภพที่จิตที่ยังมีกิเลสตัณหายังต้องติดอยู่การติดอยู่ในตายภพเราเรียกว่าเป็นสังสารวัฏวัตตะของการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจยางสังสารวัฏคือวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพด้วยอำนาจของตัณหาความอยากสามตัวนี้จะเอาจากตายภพได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาสอนให้ออก ถ้าไม่มีพระท้เจ้าไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ที่จะสามารถสอนให้สัตว์โลกออกจากใต้ภพออกจากสังสารวัตรได้เข้าใจยังเข้าใจครับสังสารวัตรอต่เมื่อกี้นี้บางทีเขาเรียกสั้นสว่วัตตะสงสารเนียอ๋อเป็นตัวเดียวกันสงสารกับสังสาระนี่มันบางทีโกไม่สําเนี่ยกว่าว่าบางตัวเป็นบาลีสันสกฤตซึ่งบางตัวเป็นลากษัพเป็นวัคชัปารีที่จะต้องแปลมันยากจังเลยจ้ะ มันก็เป็นตัวเดียวกันคนไทยเราชอบมาตัดให้มันสั้นจากสังสาระมาเป็นสงสารตัดตัวมหานการ์ออกมันก็เลยเหลือสงสารับเพราะว่าบาลีเขาจะไม่มีตัวมหานการ์ตัวมหานการ์จะเป็นจุดอยู่ใต้ตัวงองูพอเราเห็นสองงอจุดงองูเราก็งงความจริงตัวงตัวจุดนั้นหมายถึงตัวมหานการ์ที่จะอยู่ตรงข้างหน้าตัวงองูก็เป็นสังสารวัตร ภาษาบาลีเขาไม่มีเขาไม่ใช้ตัวตัวมหั่กาศเขาใช้จุดแทนเนออี่ยพคนไทยอ่านบาลีก็เลยอ่านตัดไปบานอ่านเป็นสงสารไปแทนที่ยานอ่านเป็นสังสาระ mm. เพราะว่าสังภาษาบาลีมหั่ ก, กาศก็ไม่มีสระอะก็ไม่มออีถ้าตัวไหนไม่มีถ้าอยู่เดียวเดียวนี่เวลาลงท้ายต้องลงด้วยสระอะสังสาระออต้องมีอะตามมา ก็เป็นคำเดียวกันสงสารวัตตาสงสารกับสังสารวัฏนี่คำเดียวกันวัตตะก็ย่อเหลือววัดคนไทยเราชอบย่ออย่างวัตตะก็เหลือแค่วัดแล้วเอาไหมแหม่งกาดเข้าไปให้ตัวกากรรันไปติดแทนตัวสละอะที่อยู่ข้างหลังแทนที่จะเป็นวัตตะมันก็เลยเหลือแค่วัดไปสังสารวัฏก็เลยเป็นสงสารวัฏสงสารวัฏวัตตสงสารไป าย้ายหน้าข้างหลังเพราะว่ า, า, า, า ส, งสงสารว่ามันพูดมันขัดปากคนชายเราชอบพูดให้มันเข้ า, าชินปากเหมือนก็วัาตาสงสารนะข้าใจอย่างเรื่องสาองรวัดคือการเวียน่หวตายเกิดในใตายพบในการมาพบรูปประพบอรูประพบใช่ครับเพาเทียบเคียงกับ อาอักษรที่อาจารย์บอกก็เหมือนกับสมาทกับสันธิอย่างตัวเทศบาลเกิดจากคาว่าเทศาบุกอภิบาลตัดไปตัดมาครับคราวนี้อ่าตัวของตาทิพที่เป็นจักรสุทิพกับที่เวลาเรามองเนี่ยเราแยกแยะให้มันมารวมกันหรือมันแยกกันเลยครับอาจารย์แยกกันมันมีสองเรามีสองคนไงเรามีกายทิพกับกายหยาบเราเห็นแต่กายหยาบคือร่างกาย แต่เรามีกายทิพย์คือ iç, ใจใจนี้เป็นกายทิพย์เป็นร่างอีกร่างหนึ่งที่อยู่ในโลกทิพย์ในโลกทิพย์เขาไม่ใช้ร่างกายเขาไม่ใช้ตาของร่างกายดูเขาต้องใช้ตาในคือใจเช่นเวลาเรานอนหลับนี่เราจะเข้าสู่โลกทิพย์สิ่งที่เวลาเราฝันนี่เป็นเรื่องรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ทั้งนั้นน่ะฝันว่าเราไปเที่ยวที่นั่นกินที่นู่นกินที่นี่กินอย่างนู่นกินอย่างนี้ตอนนั้นกําลังเสพ เสพอาหารทิพกันอยู่พาใจายังนี้เป็ทิพโลกทิพเวลาใจไม่มีร่างกายใจก็จะอยู่โลกทิพตลอดเวลามีร่างกายใจก็จะกลับไปกลับมาเวลาร่างกายเหนื่อยพักผ่อนหลับนอนใจก็จะไปเที่ยวโลกทิพไปในรูปแบบของความฝันหรือบางทีก็ไปแบบจริงๆไปติดต่อกับเทวดาได้อย่างพระพุทธเจ้านี้ไปแบบจริงๆไปแบบไปสัมผัสรับรู้กับเออ่ กายทิพย์ต่างๆได้เพราะท่านมีตาทิพย์มีพลังจิตผู้ที่จะไปในโลกทิพย์ได้นี้ต้องมีพลังจิตถึงจะไปได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เช่นเวลาเข้าสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าจะแสดงทำให้เทวดาได้ติดต่อกับเทวดาได้อันนี้ไม่ใช่เป็นความฝันเป็นความจริงส่วนความฝันนี่ก็เป็นเป็นรูปทิพย์เสียงทิพย์ที่เราบันทึกเอาไว้ไม่ใช่สดเข้าใจ มีมีแล้ว ม, มีการเสพรูปทิพเสียงทิพได้สองแบบเสบแบบสดสดกับเสบแบบบันทึกเวลาเราฝันนี่เราจะเสบรูปทิพเสียงทิพแบบบันทึกแต่เวลาที่เรามีพลังจิตเราสามารถไปท่องเที่ยวในสวรรค์ได้ไปติดต่อกเทวดาได้อันนี้เป็นสดมีสองรูปแบบด้วยกันเคยตอนนั้นยังเด็กค่ะครบอาจารย์เพิ่งอายุยี่สิบตอนบวชก็ได้แต่ปูป่ปู่ป้ปาไป ตอนคํากล่าวป่งอาบัตตอนเช้าก็ท่องไปแล้วก็ชุมนุมเทวดาก็ท่องไปก็เลยไม่รู้ถึงความจริงวันนี้จิ๊กซอว์ได้ต่อตัวใหญ่ขึ้นแต่กูก็ยังสงสัยการป่งอาบัติตอนเช้าว่าเวลาที่ป่งอาบัติทเทกล่าวถึงการนั่งทับสัตว์เล็กการไปเหยียบต้นไม้การที่อะไรก็สุดแท้แต่การป่งอาบัติ เป็นการเป็นความสุขทางใจหรือช่วยได้จริงๆครับอาจารย์คือพระเหล่านี้มีพันธะที่จะต้องไปปฏิบัติตัวไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ให้ทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนที่บางทีมีการพังเผลือทำแล้วก็ไปทำให้ผู้อื่นเสียหายเหยียบมดตายบ้างอะไรบ้างก็จะทำให้ไม่สบายใจขึ้นมาวิธีที่จะทำให้แก้ปัญหานี้ พระตจา้าเ็าบอกว่าให้มาสแสดงอาบัติคือมาสารภาพกับพระรูปใดรูปหนึ่งว่า่าข้าพเจ้าได้ทำบาปผิดศินข้อนี้ทำให้สัตว์เหล่านั้นตายข้าพเจ้าจะพยายามไม่ทำอีกต่อไปการสำนึกผิดนี้มันเป็นตัวที่จะมาแก้การกระทำผิดต่อไปได้ถ้าไม่สำนึกเลยก็ยังจะทำต่อไปอยู่เรื่อยๆ จึงต้องมาประจานตัวเองกับผู้อื่นแสารภาพว่าผมไม่ดีเลยผมทําผิดเลยแต่ผมจะพยายามประคับประคองสติในโอกาสต่ตอไปไม่ให้ทำผิดซ้ำซากอันนี้เรียกว่าการปรงกรบัด <บา S 1> ไม่ได้ <บา S 1> ไม่ไ ม, ไม่ได้ไปไปล้างบาปแต่อย่างใดเป็นการแก้บาปใหม่ทีย่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะถ้าเราไม่ยอมรับผิดบางทีเราก็ยังอยากทำต่อหายสงสัยอาจารย์ข้อสุดท้าย ในขณะที่โก oh, มาฟังธรรมแล้วก็ใช้การบวชเก่าแล้วเอามา mix กันท้ายที่สุดณนะวันนี้เจ็กซอได้ต่อขึ้นไปสูงสุดจนกระทั่งถึงสมถาวิปัสนาตัวสุดท้ายที่พระอาจารย์แนะนำถึงการที่เราจะนิพพานก็มองเห็นอยู่ไม่ไกลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะทำงานด้วยสมถาวิปัสนาแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นกรรมฐานวิปัสนา สาธุค่พรอาจารย์เดชสาธุความรู้ต่างๆที่เราเรียนรู้ทงัทงธรรมนี้ไม่สูญหายมันอยู่กับใจเราแล้วมันจะไปต่อยอดต่อไปเวลาที่เราได้ไปเรียนไปพบกับผู้รู้ที่เขาสอนธรรมะเพิ่มเติมให้กับเราถ้าเราไม่มีของเดิมฟังธรรมะก็อาจจะไม่เข้าใจเข้าใจยากกว่าคนที่มีของเดิม คนยึงบรรลุธรรมไม่ไม่เท่ากันไงบางคนบรรลุได้เจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีเพราะฐานเก่ามีมากน้อยต่างกันมีความรู้มากน้อยต่างกันคนที่มีความรู้มากกว่าก็บรรทุบรรลุได้เร็วกว่าเห็นไหมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกให้กับปัญจวัคคีย์ห้าคนแต่คนเดียวรู้ก่อนอีกสี่คนยังรู้ยังไม่รู้เพราะว่าปัญจวัคคีย์พระอัญญาณโกณัญญามีพื้นความรู้ทาง ตายรักมากกว่าองค์อื่นนะหลังแล้วก็เข้าใจได้ทันทีอีกสี่องค์นี้ต้องไปนั่งคิดตยตตองอีกสักระยะหนึ่งแต่ก็ไม่นาน ก, ก็รู้ได้เหมือนกัน <c oughs> นี่คือผลที่เกิดจากการสะสมบุญหรือสะสมบาปมามันจะมีผลต่อเราต่อไปเข้าใจนะโอเค ขอให้ทำไปเรื่อยๆนะทุกคนถ้าเดินไปนี่มันต้องถึงจุดหมายไปทางด้วยกันทุกคนนะแต่ช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองครั้งแรกที่ไปวัดที่อุดรหลวงตามหาบัวฟังเทศเรื่องปรากับกิเลศ แล้วมีความรู้สึกว่ามันช่างวิเศษเหลือเกินตอนที่มหาบัวพูดถึงการปราบกับกิเลสซึ่งวันนี้ได้รู้จักว่ามันมีหลายตัวซับซ้อนกันมากเลยเอาจารย์อ่มันมีเอะครับออก็เลยเห็นของวิเศษทั้งๆที่ยังเห็นไม่จริงนะนอาจารย์แค่ว่าฟังมหาบัวเทศต้องปราบมันให้ได้ครับอาจารย์ให้ได้ อ, ม อ, อไม่มีใครถามนะเ อ, อเอาตางบ้านมา คำถามจากทางบ้านคุณคอนขอความเมตตาพระคุณเจ้าอธิบายขยายความคําว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั้นคล้ายกับคําว่ากรรมพันธุ์อย่างไรครับเไม่เหมือนกันคําว่ากรรมพันธุ์นี่เป็นเรื่องของร่างกายอย่างมาเมื่อเช้านี้มีมีโยมคนหนึ่งพาลูกมาถวายของลูกก็สายตาสั้น แล้วเราก็สังเกตเห็นว่าแม่เขาก็สายตาสั้นอันนี้เป็นกรรมพันธ์ทางร่างกายแม่สามารถถ่ายทอดกรรมพันธ์เหล่านี้ให้กับลูกได้เกี่ยวกับทางร่างกายแต่ไม่สามารถถ่ายทอดกรรมพันธ์ทางจิตใจได้เช่นแม่แม่เป็นคนใจบุญแต่ลูกเป็นคนใจบาปอย่างเงี้ยแม่ไม่ได้ถ่ายทอดความเป็นใจบุญให้กับลูกผู้ที่ถ่ายทอด ความเป็นใจบุญใจบาปก็คือบุญบาปที่เราทำกันนี่เองที่เรียกว่ากรรมเราจึงเรียกว่ากรรมเป็นเป็นเผ่าพันธ์ของเราเราทำบาปเราก็จะมีบาปเป็นเผ่าพันธ์เราทำบุญเราก็จะมีบุญเป็นเผ่าพันธ์ต่างกันกับกรรมพันธ์กรรมพันธ์นี่ทางร่างกายเผ่าพันธ์นี่ทางจิตใจคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ถ้าเราตั้งใจนำอาหารไปใส่บาตรพระที่มาเดินบินทบาทแต่ปรากฏว่าวันนั้นไม่มีพระมาเดินบินทบาทจึงทำให้เราต้องนำอาหารนั้นมารับประทานจะถือว่าบาปไหมเจ้าคะทั้งๆ ท, ที่อาหารนั้นเรานามาจบและอธิฐานแล้วเจ้าคะไม่บาปหรอกเพียงแต่ไม่ได้บุญเท่านั้นเอง วันนั้นก็ถือว่าเราไม่ได้ถ้าอยากจะได้บุญก็ให้ขอทานมันก็ได้ให้หมาก็ได้เห็นหมามันอดอยากขาดแคลนก็เอาให้อาหารนันไปก็ได้บุญเหมือนกับให้พระเพราะบุญไม่ได้เกิด อ, อยู่ที่คนรับบุญอยู่ที่คนให้อยู่ที่การเสียสละของคนให้ถ้าเสียสละร้อยบาทให้พระหรือให้หมามันก็ได้บุญเท่ากัน คุณความรู้สึกทางจิตใจที่เกิดจากการเสียสละนี้ได้เหมือนกันแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระจากหมานี่ต่างกันด้านเลี้ยงหมาหมามันก็จะคอยเฝ้าบ้านเห่าให้เราถ้าทําบุญกับพระพระก็สอนธรรมะให้กับเรามันต่างกันตรงนั้นยังต้องเข้าใจว่าทําบุญกับใครมันมีผลสองอย่างผลที่เกิดจากการเสียสละนี้เหมือนกันไม่ว่าทํากับใครแต่ผลที่จะได้รับจากคนที่เราไปทําบุญด้วยนี่ต่างกัน คำถามต่อไปจากคุณนุ่มนวลการที่เราปล่อยปลาแล้วเราจะกินปลาชนิดที่เราปล่อยได้ไหมเจ้าคะได้ถ้ามันตายอย่าไปกินที่มันยังไม่ตายก็แล้วกันปลาตายแล้วมันไม่รู้อ่ามันเป็นปลาชนิดไหนกินได้ไม่เกี่ยวกันก็พอดีเวลาหมดพอดีนะก็ขอยุติการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้